มหาสมัยสูตรเรื่องเทวะสนิบาตข้าไเจ้าฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ป่าใหญ่ใกล้กรุงกบิลพัฒน์ในแคว้นสักกะพร้อมกับภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระราหันอันหนึ่งพวกเทวดาโดยมากจากโลกาธาตุทั้งสิบก็มาประชุมกัน เพื่อทัสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระพิสูจ์สงฆ์ครั้งนั้นและพวกเทพชั้นสุดทาวาดาสี่องค์มีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แลกกำลังประทับอยู่ที่ป่าใหญ่ใกล้กรุงกบิลพัทในสักกะชนบทพร้อมกับพระพิสษุหมูใหญ่ประมาณห้ารอรูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระรหันทั้งนั้นอันนึ่ง พวกเทวดาโดยมากจากสิบโล ก, กาธาตุก็มาประชุมกันเพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและผู้สงูงส่งอย่ากระนั้นเลยแม้พวกเราก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วพึงกล่าวคาถาองค์ละหนึ่งคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้นแลพวกเทวดาเหล่านั้นก็หายตัวจากเทวโลกชั้นสุท้าวา่แล้วมาปรากฏเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนบุรุษที่มีกําลังพึ่งยียดแขนที่คูออกหรือพึ่งคูแขนที่เหยียดออกฉะนั้นครั้งนั้นพวกเทวดาเหล่านั้นถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วก็ยือนอยู่ในส่วนข้างหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งซึ่งยือนอยู่แล้วในส่วนข้างหนึ่งแลได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าการประชุมใหญ่มีในป่าใหญ่หมูเทพก็มาประชุมกันแล้วเราทั้งหลายก็มาแล้วสู่ที่ประชุมธรรมนี้เพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ซึ่งไม่มีใครเอาชนะได้เลยลำดับนั้นแหละเทวดาอีกองหนึ่งก็ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเราพระพิษุในที่ประชุมนั้นมั่นคงได้ทำจิตของตนให้ตรงแล้วเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายเหมือนสารถีจับเชือกทั้งหลายอยู่ฉะนั้น ลำดับนั้นแลเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพวกพิสุเหล่านั้นตัดกิเลสดุดตาปูตัดกิเลสดุดลิมสลักได้แล้วถอนกิเลส ด, ดุดเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไร้ตัณหาหมดจดไม่มีมนลทินเที่ยวไปท่านเป็นนาคหนุ่ม มีดวงตาฝึกฝนดีแล้วลำดับนั้นและเทวดาอีกองหนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะแล้วชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิละร่างของมนุษย์แล้วจะทำให้หมู่เทพนิกายบริบูรณ์ ลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูเทวดาสิบโลกธาตุดยมากมาประชุมกันแล้วเพื่อทัศนาตถาคตและมูภิกษุพระรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นแม้เหล่าใดได้มีแล้วในอดีตการ ภูเทวดามาประชุมเพื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เหล่านั้นก็มากเท่ากับของเราเดี๋ยวนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจักมีในอนาคตกาลภูเทวดาที่จักเป็นผู้มาเข้าประชุมกันของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เหล่านั้น ก็จะมากเท่ากับของเราเดี๋ยวนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะบอกชื่อของหมู่เทพทั้งหลายเราจกระบุชื่อของหมู่เทพทั้งหลายเราจะแสดงชื่อของหมู่เทพทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังการแสดงชื่อหมู่เทพทั้งหลายนั้นจงเอาใจใส่ให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสภาษ์นี้ว่าทรงประกาศนามเทวดาเพราะจักร้อยกรองสลกุกคือบอกชื่อเทวดาทั้งหลายโดยตรัสเป็นบทกวีภุมมะเทวดาอาศัยอยู่ณที่ใดภิกษุก็อาศัยที่นั้นอาศัยซอกเขา ทรงตนไปแล้วมีจิตตั้งมั่นเป็นจำนวนมากเร้นอยู่เหมือนราชสีครอบงามความขนพองสยองกล้าวช้ได้มีใจผุดพองเป็นผู้หมดจดใสสะอาดไม่ขุนมัวพระศาสดาทรงทราบภิกษุห้าร้อยรูปเศษในป่าใกล้กรุงกบิลพัดแต่ น, นั้นจึงตรัสเรียกพระสาวกทั้งหลาย ผู้ยินดีในพระศาสนาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูเทวดามุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักมูเทวดาเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นฟังพระดารัสของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียรเพื่อให้เกิดทิพยจักสุยานเป็นเครื่องเห็นพวกอมนุษย์ได้ปรากฏแก่ภิกษุเหล่านั้น ภิกษุบางพวกได้เห็นอมนุษย์ร้อยหนึ่งบางพวกได้เห็นอมนุษย์พันหนึ่งบางพวกได้เห็นอมนุษย์เจ็ดหมืบางพวกได้เห็นอมนุษย์หนึ่งแสบางพวกได้เห็นไม่มีที่สุดอมนุษย์ได้แผ่ไปทั่วทิศพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงใคร่ครวญทราบเหตุ น, นั้นสิ้นแล้วแต่นั้น จึงตรัดเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูเทวดามุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักมูเทวดานั้นเราจักบอกพวกเธอด้วยวาจาตามลำดับยักษ์เจ็ดพันเป็นภูมะเทวดาอาศัยอยู่ในกรุงกบิลพัฒมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศ ยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิสูุทั้งหลายยักษ์หกพันที่อาศัยอยู่ในเขาเหมมวัดมีผิวพันธ์ต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรสมีมยศมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิกษุทั้งหลายยักษ์สามพันที่อาศัยอยู่ที่เขาสาตากิระ มีผิวพันธุ์ต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรศมีมียอดยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายยักษ์เหล่านั้นรวมเป็นหนึ่งตนซึ่งมีผิวพันธุ์แตกต่างกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรศมีมียอด ยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายยักษ้าร้อยอยู่ที่เขา ว, วิสามิตรมีผิวพันธ์แตกต่างกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัสมีมียอดยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายยักษ์ชื่อกุมพีอยู่ในกรุงราชครื อาศัยเขาเวปุลละเป็นที่อยู่ยักษ์มากกว่าแสนไปเฝ้ายักษ์กุมพีนั้นแม้ยักษ์ชื่อกุมพีที่อาศัยอยู่ในกรุงราชครื้น้นก็ได้มาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย พวกเทพจจตุโล ก, กบาลก็เท้าทัตตร์ปกครองทิศตะวันออกเป็นอธิบดีของพวกคนทันเท้าเธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรเป็นอันมากของเท้าเธอนั้นชื่อว่าอินมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสูปา่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแผ่งภิกษุทั้งหลาย ส่วนเท้าวิรุณปกครองทิศใต้เป็นอธิบดีของพวกกลุ่มพันเท้าเธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรเป็นอันมากของเท้าเธอนั้นก็ชื่อว่าอินมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรสมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสูปา่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิกูุทั้งหลายฝ่ายเท้าวิรูปัก ปกครองทิศตะวันตกเป็นอธิบดีของพวกนาคเท้ า, ทาเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรเปน็นมากของเท้าเธอนั้นก็ชื่อว่าอินมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรศมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสูปา่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งทิสษุทั้งหลายเท้ากูเวยปกครองด้านทิศเหนือ เป็นอทิตวดีของพวกยักษ์เท้าเธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรเป็นอันมากของเท้าเธอนั้นก็มีเชื่อว่าอินมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรสมีมียศต่างก็ยินดีมุ่งหน้ามาสูปา่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิสูจทั้งหลายท้าทัตรัฐปกครองทิศตะวันออก ท้าวิรุณหกปกครองทิศใต้ท้าวิรูปักปกครองทิศตะวันตกท้ากุเวนปกครองทิศเหนือมหาราชทั้งสี่องค์นั้นยังที่ทั้งสี่โดยรอบให้รุ่งเรืองประทับอยู่ในป่าใกล้กรุงกบิลพั์บ่าวของท้าวโลกบาลพวกบ่าวของมหาราชทั้งสี่องค์นั้นซึ่งเป็นผู้มีมายาล่อหลวมโอ้อวด เจ้าเล่คือกุเกนดุหนึ่งเวเกนดุหนึ่งวิตูหนึ่งวิตุต่าหนึ่งจันทนะหนึ่งกามเสถ่าหนึ่งกินุคันดุหนึ่งนิคันดุหนึ่งและเท้าเทวราชผู้มีนามว่าปนาทหนึ่งโอปมัญญาหนึ่งเทวสูตะหนึ่ง เทพสารถีมีนามว่ามาตรีหนึ่งจิตรเกษผู้คนทันหนึ่งนโคราชาหนึ่งชโนสภาหนึ่งปัญจศิขาหนึ่งติมพลูหนึ่งสุริยวัชสาเทพธิดาหนึ่งก็มาราชาและคนทันเหล่านั้นและเหล่าอื่นพร้อมด้วยเทวราชทั้งหลายยินดีมุ่งหน้ากันมาสู่ป่า ซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งพวกนาคที่อยู่ในสาชื่อนาพัสสะและอยู่ในเมืองภัยาลีกับนาคขบริษัทแห่งตัดชะนาคราชก็มาพวกนาคตระกูลกรรมพลและตระกูลอัสดรก็มาพวกนาคที่อยู่ในท่าปายาคะพร้อมกับหมู่ญาติก็มา พวกนาคในแม่น้ำยมุนาตระกูลทัตรัฐผู้มียศก็มาเอราวันเทพบุตรผู้เป็นช้างใหญ่แม้นั้นก็มาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายปักษีทวิชาตผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธ์นำพญานาคไปได้อย่างรวดเร็วคือพยาครุฑเหล่านั้นก็มาโดยทางอากาศ ถึงถ้ำกลางป่าชื่อของพญาครุฑเหล่านั้นว่าจิตระสุบันในครั้งนั้นการอภัยได้มีแล้วแก่พวกพญานาคพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทาพวกนาคให้ปลอดภัยจากพญาครุฑพวกนาคและพวกสุบันทักทายกันด้วยวาจาที่ไพเราะต่างกระทาพระพุทธเจ้าให้เป็นสระนาแล้ว พวกอสูรที่อาศัยสมุรซึ่งถูกพระอินปราบจนพ่ายแพ้แล้วนาคและครุฑเหล่านั้นเป็นพี่น้องของท้าววาสวะมีฤทธิ์มียศเหล่านี้คือพวกอสูรตระกูลกาลกันชามีกายใหญ่น่ากลัวพวกอสูรตระกูลทานเวคษะอสูรเวปจิตติและอสูรสุจิตติ อสูรปหาราทะก็มานาบุจีพยามาณก็มาบุตรของอสูพรพลีร้อยซึ่งมีชื่อว่าไพโรธทั้งนั้นผูกสอยเครื่องเสนาท้าทรงพลังเข้าไปหาราหูพัทราหรืออสูรินทราหูแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญวันนี้เป็นวันประชุม แล้วก็เข้าไปสู่ป่าเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายเทวนิกรหกสิบมูเทพวกอาปโปพวกปัทวีพวกเตโชและพวกวาโย ο, ก็มาในครั้งนั้นด้วยมูเทพวกวรุณะพวกวารุนะพวกโสมะพวกยศะหมูเทพผูเกิดด้วยเมตตาและกุรณาฌานผู้มียศก็มา มูเทพสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพัธุ์ต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรสมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสูปา่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิสูุทั้งหลายเทพพวกเวนทูพวกสหลีพวกอัสมาและพวกยมะทั้งสองพวกเทพที่อาศัยพระจันทร์ ทำพระจานทร์เป็นเบื้องหน้าก็มาพวกเทพเทียศัยสุริยะทำสุริยะเป็นเบื้องหน้าก็มาพวกเทพทำนักสัตว์ทั้งหลายเป็นเบื้องหน้าก็มาพวกเทพมันทพราหกก็มาแม้ท้าวศักกะปุริณทักษวาสวะผู้ประเสริฐกว่าพวกวาส่เทพทั้งหลายก็เสด็จมามูเทพสิบเหล่านี้เป็นสิบพวก ทั้งหมดร้วนแต่มีผิวพันธ์ต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรสมีมียอดยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายเทพพวกสหภูซึ่งรุ่งเรืองดุจเปลวเพลิงเทพพวกอริธกะและพวกโรชะมีรสมีเหมือนสีดอกผักตบเทพพวกวรุณะพวกสหธรรม พวกอัจจุตะพวกอเนช ก, กะและสุระยะลุเิระก็มาพวกวาสะวเนศินก็มาภูเทพสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนแต่มีผิวพธุ์ต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรสมีมียศดยินดีมุ่งหน้ามาสูปา่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย เทพพวกสมานะพวกมหาสมานะพวกมนุษะพวกมนุสตธตรมะพวกขิทาธาปทูสิกะพวกมโนปทูสิกะก็มาอันหนึ่งเทพพวกฮริก็มาพวกเทพซึ่งชื่อโลหิตวาสีเทพพวกปารคะและพวกมหาปารคะผู้มียศก็มา มูเทพสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนแต่มีผิวพันธ์ต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรสมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสูปา่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายเทพพวกสุกกาพวกอรุมหาพวกอรุณะพวกเวคณะสะก็มาด้วยกันเทพพวกโอทาตะไครหะ ซึ่งเป็นหัวหน้าพวกวิจักคณะพวกสถามัตตะพวกหารคาชะและพวกมิศกะผู้มียศก็มาเทพผู้ซึ่งคำรามให้ฝนตกทั่วทิศก็มามูเทพสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนแต่มีผิวพธุ์ต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรสมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสูปา่ป่า ซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายพวกเทพเขมียะพวกดุสิตพวกยามะและพวกกัฏกะผู้มียศพวกลำพิตกะพวกรามเสถะาพวกโชตินามะพวกอาสวะและพวกนิมมานรดีก็มาอันหนึ่งพวกประนิมมตะคือพวกประนิมิตะวสวรตีก็มาด้วย มูเทพสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนแต่มีผิวพันธ์ต่างๆกันมีฤทธิ์มีหนูภาพมีรสมีมียศดยินดีมุ่งหน้ามาสูปา่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายมูเทพหกสิบมูเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแต่มีผิวพันธ์ต่างๆกันซึ่งมีชื่อต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมานั้นก็ได้มาและเทพเหล่าอื่นซึ่งไม่ได้ระบุชื่อก็มาเช่นเดียวกันด้วยคิดว่าพวกเราจากเฝ้าพระมหานาคผู้ปราศจากชาติผู้ไม่มีกิเลสดุจตาปูผู้ข้ามห้วงน้ําได้แล้วผู้ไม่มีอาสวะผู้ข้ามจากกิเลสที่เปรียบเหมือนห้วงน้ําได้ ผู้ก้าวล่วงพ้นจากกรรมดำคือสังเกิเรสธรรมดุจพระจันทร์พ้นจากเมฆฉนันพวกพรหมสู่พรหมและประมัตตพรหมผู้เป็นบุตรของพระผู้ทศเจ้าผู้มีฤทธ์ก็มาสนางกุมารพรหมและติดสพรหมก็มาสูปา่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายท้าวมหาพรหม ย่อมปกครองพรหมโลกพันหนึ่งเป็นอุป ป, ปาติกามียนุภาพมีกายใหญ่โตมียศก็มาพวกพรหมสิบองค์ผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกพันหนึ่งซึ่งแต่ละองค์ก็มีอานาจปกครองพรหมโลกพันหนึ่งนั้นก็มาและพรหมชื่อหาริตะอันพวกบริวารแวดล้อมแล้วก็มาในถ้ำกลางแห่งพรหมเหล่านั้น พวกมารและเสนามารเมื่อได้เห็นพวกเทพพร้อมกับพระอินทร์และพรหมทั้งหมดนั้นก็มาด้วยและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับพิสูจนทั้งหลายว่าท่านจงดูความเคารของมารเถิดเพราะพญามารได้กล่าวกับพวกเสนามารว่าพวกท่านจงมาจับพวกนี้ผูกไว้จงผูกด้วยราคาจงล้อมไว้โดยรอบ พวกท่านอย่าปล่อยให้ใครๆหลุดไปได้แม่ทัพ บ, บังคับเสนามานในที่ประชุมนั้นดังนี้แล้วก็เอาฝ่ามือตบพื้นดินทําเสียงอย่างน่ากลัวเหมือนเมฆที่ทําให้ฝนตกคํารามอยู่พร้อมกับฟ้าแลบในเวลานั้นพยามานไม่อาจทําให้ใครๆเป็นไปในอำนาจของตนได้จึงได้เดือดดานแล้วกลับไป พระศาสดาผู้มีดวงตาทรงพิจารณาจนทราบเนื้อความนั้นหมดสิ้นแล้วแต่นั้นจึงตรัสเรียกพระสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกองทัพมารมุ่งหน้ามาพวกท่านจงรู้จักพวกเขาไว้ก็ภิกษุเหล่านั้นฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วและมาร เมื่อจะหลีกไปจากพวกพระพิสุผู้ปราศจากราคะแล้วผู้ซึ่งตนไม่อาจทำให้แม้ขนของพิสุเหล่านั้นหวั่นไหวได้ได้กล่าวว่าสาวกทั้งหมดของพระองค์ชนะสงครามแล้วล่วงความกลัวเสียได้แล้วเป็นผู้มียศปรากฏแล้วในที่ประชุมชน บันเทิงอยู่ด้วยกับพระยาเจ้าทั้งหลายแหลจบมหาสมัยอสูตรที่เจ็ด มหาสมัยยโสตที่แปลออกให้อ่านกันนี้อย่าว่าแต่ผู้อ่านโดยทั่วไปเลยแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเรื่องราวในพระสูตรนี้จะถือว่าเป็นพุทธพจน์ทั้งหมดได้หรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นพุทธพจน์บางตอนหรือบางส่วนแล้วก็มีการแต่งเพิ่มเติมเสริมขึ้นในภายหลังแล้วก็อ้างว่า เป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าสงสัยก็เพราะมีข้อความบางตอนทำให้เข้าใจว่าอาจไป น, นำเอาเรื่องเทวดาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถืออย่างสูงในศาสนาพราหมณ์มาใส่ไว้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในศาสนาพุทธว่าแม้แต่เทพผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์ ก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันเช่นที่มีกล่าวถึงพวกเทพปฐวีอาโปเตโช ว, วาโยซึ่งเทพเหล่านี้ตามคติของาศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็นเทพผู้รักษาหรือเป็นผู้สร้างดินน้ำลมไฟดังเช่นมีเรื่องกล่าวไว้ในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งได้พูดถึงพระพายพระคณีอย่างนี้เป็นต้น และที่แปลกมากอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการกล่าวถึงพระหริก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันซึ่งสำนวนในมหาสมัยยูตอนนี้ใช้คำว่าอัฐาคูหรารโยเทวาซึ่งแปลว่าอันหึ่งหาริเทพทั้งหลายก็มาคำว่าหาริคำนี้ตามความหมายของสัพทานุกมรมภาษาบาลีโดยทั่วไป ก็หมายถึงพระนารายณ์ทั้งนั้นไม่เคยมีความหมายเป็นอย่างอื่นเช่นคำพีอภิธานน ป, ปะทีปิกาซึ่งทรงแปลโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสุริวัฒหน้าหข้อส6หได้กล่าวไว้ว่าคำที่เป็นชื่อของพระนารายณ์หรือวิษนุมีอยู่ห้าคำคือวาสุเทโวหริกันโห เกโวจักกปาณิคำที่เป็นชื่อของพระอิศวรหรือศิวะมีห้าคำคือมหิสโรศิวสูลีอิสโรปรสุ ป, ปติส่วนในหนังสือเดิกชันรีบาลีอังกฤษของริสเดวิสไม่มีคำแปลอันนี้แต่ในเดิกชนันรีอาสาทารณานาม ของศาสตราจารย์มาลาเซเกราได้กล่าวไว้ว่าคำว่าหารินี้เป็นชื่อของเทวดาพวกหนึง่งหรือชั้นหนึง่งที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงในมหาสมัยยรเทวดาพวกนี้มีชื่อว่าหาริเหมือนกันหมดทุกองค์และในคำพีสุมังคละวิสาสนี ซึ่งเป็นคำพีอธิบายพระสูตรนี้ก็กล่าวไว้แต่เพียงว่าพวกเทวดาที่ชื่อว่าฮริก็มาอาถาคูหรโยเทวาติฮริเทวานามอาคตาส่วนในคำพีดีกาของอัถกถาตอนนี้ไม่มีอธิบายฉะนั้นจึงไม่รู้ความหมายอะไรมากไปกว่านี้ และอีกแห่งหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือตอนที่กล่าวถึงจันทเท พ, พบุตรและสุริยะเท พ, พบุตรตลอดทั้งเทพที่อยู่ประจํานักสัตว์คือดาวนพเคราะห์ต่างๆทั้งหลายก็มาเทพผู้ทำให้ฝนตกทำให้ฟ้าร้องก็มาซึ่งข้อความในคำพีใช้สำนวนดังนี้จันทสูปนิสาเทวา จันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานัขขานีปุรักกิตวาอาคูมันทวลาหกาแปลว่าเทพทั้งหลายที่อาศัยพระจันทร์ทําพระจันทร์ไว้เบื้องหน้าก็มาเทพทั้งหลายที่อาศัยพระอาทิตย์ทําพระอาทิตย์ไว้เบื้องหน้าก็มา เทพทั้งหลายกระทำนักสัตว์ทั้งหลายไว้เบื้องหน้าก็มาเทพมันทวลราหกก็มาตามรัฐทีของศาสนาพราหมีกล่าวไว้ว่าพระศิวะซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สถิตยอยู่ที่เขาไกลาลาดนั้นในบางครั้งพระองค์จะนำเอาพระจันทร์มาทำเป็นปิ่นปากมวยผมและสุริยะเทพพระบุตรนั้นก็จะขับขี่รถ ซึ่งมีล้อเป็นดวงอาทิตย์วนรอบเขาพระสุมเมนเป็นประจำเรื่องต่างๆในธรรมนองนี้ของศาสน า, าพราหมณ์นั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีบางยุคบางสมัยที่ผ่านมาภายหลังพระพุทธเจ้าพอิี่ิพานนานแล้วนับเป็นร้อยร้อยปีหรือพันปีนั้นได้มีการแต่งพระสูตรเรื่องนี้เพิ่มเติมโดยอาศัยเรื่องเดิมที่มีจริง คือเรื่องที่พระองค์ได้ตรัสเล่าให้พระนอนุนฟังว่าครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่พระองค์ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันนั้นได้มีเทวดาต่างๆมาเฝ้าจริงแต่คงจะไม่ใช่เทวดาทั้งหมดตามที่กล่าวไว้ในมหาสมัยยรนี้ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้จะต้องร้อยข้าพเจ้าคนคว้าอ่านเรื่องทํานองนี้ จากคำพีต่างๆให้ทั่วถึงก่อนแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าเรื่องจริงๆนั้นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเจ้าทรงทราบชื่อของต้นไม้สัตว์น้ำสัตว์บกตลอดทั้งชื่อของโทกเทวดาทั้งหลายได้อย่างไรจากข้อความที่กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงพาภิกษุห้าร้อยรูปไปที่สระนกดูเวา และรับสั่งว่าถ้าพิสุจองค์ไหนต้องการจะทราบชื่อปลาทั้งหลายในสระ น, นันหรือของสัตว์ทั้งหลายในป่าหิมาพา น, า น, านันพระองค์ก็สามารถที่จะทรงบอกชื่อได้ทั้งหมดและจากเรื่องในมหาสมัยยสูตรนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์สามารถที่จะทรงบอกชื่อพวกเทวดาได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันปัญหามีอยู่ว่า พรงจะทรงทราบได้อย่างไรเพราะโดยธรรมดาชื่อของสิ่งต่างๆนั้นเป็นคําสมมติซึ่งแต่ละชาติแต่ละภาษาก็จะเรียกไม่เหมือนกันและเป็นการเหลือวิสัยที่จะทราบได้ถ้าไม่เคยเรียนรู้มาก่อนอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องมีนิฉัยกันก่อนแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะพิจารณาว่า พระพุทธเจ้าทรงรู้จักชื่อของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรทั้งๆ ท, ที่ไม่ต้องทรงเรียนรู้มาก่อนข้าพเจ้าใคร่จะให้ท่านได้ศึกษาเรื่องเรื่องนี้ก่อนคือเรื่องอจินไตยแปลว่าเรื่องที่ไม่ควรคิดซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตยสี่อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ที่คิด ก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลําบากเปล่าอาจินไตสี่คือ 1. พุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลําบากเปล่า 2. องฌานวิสัยแห่งผู้ได้ฌานเป็นอจินไตไม่ควรคิด ผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 3. ามพบากแห่งกรรมเป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 4. โลกะจินตาความคิดในเรื่องโลกเป็นอจินไตยไม่ควรคิด ผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละอาจิมไตสีไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าจากอังคุตระนิกาจจตุ ก, กานิบาศเล่มที่ย1อหน้าร้อยส่ข้อ77อันหนึ่ง ในอัถกถ า, ธาอธิบายว่าคำว่าพุทธวิสัย น, นั้นหมายถึงประวัติความเป็นไปและอนุภาพของพุทธคุณทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าทรงมีสัพพัญยุตยานดังนี้เป็นต้นพุทธวิสยติพุทธานางวิสยสัพพัญยุตยานาทีนางพุทธคุณานางประวัติจะ อนุภาโวจะซึ่งในที่นี้หมายความว่าความเป็นไปแล่านุภาพของสัพพัญญุตยานเป็นต้นนานไม่ควรคิดถึงเหตุผลว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะถึงคิดอย่างไรก็ไม่มีทางจะเข้าใจจะกลายเป็นบ้าเสียสติไปก่อนหรือไม่เป็นบ้าก็จะลำบากเปล่าในเรื่องชาณวิสัยนั้ น, นท่านอธิบายว่า หมายถึงวิสัยของผู้ทีได้ฌานและได้พิญญาด้วยฌานะวิสยติอภิญญาฌานะวิสยหมายความว่าผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงนั้นสามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้ต่างๆเช่นหายตัวได้เหาะได้แปลงตัวได้เดินบนน้ำได้ดำดินได้เดินผ่านกำแพงหรือภูเขาไปทะลุอีกด้านหนึ่งได้ สามารถระลึกชาติได้มีตาทิ์หูทิ์อ่านใจคนอื่นได้อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าไม่ควรคิดเพราะถึงคิดอย่างไรก็ไม่มีทางจะเข้าใจเหตุผลจะกลายเป็นบ้าหรือลำบากไ ป, ปเปล่าๆอีกข้อหนึ่งคือวิบากของกรรมต่างๆที่ให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้ก็ไม่ควรคิดเหมือนกันว่าทำไมจึงมีผลอย่างนั้นอย่างนี้เช่นในกรณีของผู้ให้ทานมามากก็จะมีผลทำให้เกิดมาร่ารวยผู้ที่ฆ่าสัตว์มามากก็จะทำให้อายุสั้นหรือผลของกรรมชั่วจะทำให้เกิดในอบายภูมิผลของกรรมดีจะทำให้เกิดในสวรรค์อย่างนี้เป็นต้น เรื่องราวต่างๆในทํานองนี้ก็ไม่ควรคิดเหมือนกันแต่ในอัธกถาอธิบายไว้แต่เพียงสั้นๆว่าวิบากของกรรมทั้งหลายเช่นกรรมที่จะพึงให้ผลในชาตินี้เป็นต้นไม่ควรคิดกรรมะวิปากโกติทิทธธรรมเวทนียาทีนางกรรมมานังวิปากโกส่วนข้อโลกจินตานั้น ท่านอธิบายไว้อย่างนี้ว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใครหนอเป็นผู้สร้างหรือกระทาขึ้นมามหาปฐพีมหาสมุทรสัตว์ทั้งหลายภูเขาต้นไม้ต่างๆเช่นต้นมะม่วงต้นตาลต้นมะพร้าวอย่างนี้เป็นต้นใครหนอเป็นคนสร้างหรือกระทํามันขึ้นมาเรื่องในทํานองนี้เรียกว่าโลกจินตา ซึ่งแปลว่าความคิดในเรื่องโลกเรื่องเหล่านี้ถือเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งอันหนึ่งเมื่อได้ศึกษาเรื่องอจินไตยดังที่กล่าวมาแล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทราบถึงชื่อของสิ่งต่างๆได้เองโดยไม่ต้องทรงเรียนรู้มาก่อนนี้ก็น่าจะเลิกคิดได้แล้วเพราะการที่พระพุทธเจ้าทรงทราบเช่นนั้น เป็นเรื่องของสัพพัญยุตยานเป็นพุทธวิสัยโดยตรงแต่สำหรับข้าพเจ้าคิดว่าข้อนี้น่าจะเป็นการห้ามเฉพาะผู้ที่ไม่มพื้นพอที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เช่นในเรื่องฌานวิสัยนานถ้าได้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจโดยละเอียดซึ่งหมายถึงต้องศึกษาเรื่องอภิญญาให้เข้าใจถึงเหตุผลโดยละเอียดแล้ว ก็อาจจะคิดถึงเรื่องอาจินไตข้อนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในเมื่อเข้าใจเหตุผลจริงๆแล้วก็จะทำให้เราเชื่อในเรื่องพุทธวิสัยเรื่องชานวิสัยและเรื่องวิบากของกรรมได้บ้างพอสมควรเพราะคนที่เป็นนักคิดเป็นพวกพุทธทิจริตนันถ้าเรื่องไหนเขาไม่เข้าใจเหตุผลต่างๆแล้วเขาจะไม่ยอมเชื่อในเรื่องนั้น และการเชื่อดังที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชาวพุทธโดยทั่วไปฉะนั้นข้าพเจ้าจะลองที่บายถึงเหตุผลในเรื่องนี้ดูเพื่อว่าจะมีบางคนเข้าใจและยอมรับในเรื่องสัพพัญญุตยานของพระพุทธองค์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นได้บ้างส่วนเรื่องโลกจินตาตามที่อัตถกถาได้ที่บายไว้นั้น ข้าพเจ้าจะไม่มีนิฉัยเพราะเห็นว่าอยู่ไกลเกินไปที่จะพิจารณาเรื่องนี้ให้เขา้าใจได้และเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องรู้ไปถึงขนาดนั้น